بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل مع ك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامري الشريط الرابع ويحتوي على سرتي و ا ل م ا ئ د ة والأنعام بود أمينة بن بود مدنيه ٢٢٠ بونكان بود تي يا พอสมควร كنديو بود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 เรื่องราวของยานุดีและนัสรนีที่มีความเชื่อผิดๆบิดเบิ้วสัญญาบิดเบือนคำพีเตารอนและอิงดินปฏิเสธสารที่ท่านนาบีมอมัรสโลลลอห์อะไลอะสัลสลัมให้นำมาบทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์หน่าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านนาบีอีซาอาลาัยสลาม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 เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นศาสนทูตจาเอาล่อมาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้นด้วยพระนามของพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาเออย่าเหล่าทีน่าอัมรอัฟฟุบอีลกูด อุหิลต์ล็กุลเบหีเตุอันงามอิดลลาไม่ท์ละ عليكمغير มุิลล์ศัยและอัลตุมฟรุมอินนัลลอฮะยัพุมมา يريد อบัติาพุสัตว์หลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดสัตว์ประเภทป่าสุสัตวน์ตว น, ตวนั้นได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วนอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอียรออมแท็ิงอลอล น, นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยาอลลดีนามนลาฮิมลูชยรลล์ลาฮิลูชยรลลีวะลัลช์เหฮรนฮรวะลัลฮะวะลัลลาิด وللقلائد ولآم ا ي ن البيت الحرام يبتغون تظلم ا ل ظ ب ّ ه م وربوانا وإذا حلفتم ف ا ص ط ا د و ا ولا يجرم َ ن ك م شناء قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ال الله الله د د โอภูสถานทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอ์และเดือดที่ต้องห้ามและสัตว์ปลีและสัตว์ตที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์ปลี และบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้ามโดยสแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทยัยจากพระผู้อวยบานของพวกเขาแต่เมื่อพวกเจ้าเครื่อนเยี่ยงฮอมแล้ ว, วก็จงลา่าสัตว์ได้และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มสัสยิดฮรอมทำให้พวกเจ้ากระทำการละเมิดและพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความจำเป็งต่อระ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 وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُوزَةُ وَالْمُتَرَبِّيَةُ و َ ا ل ن َّ ط ِ ي ح َ ة ُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا د َ ك ِ ي ت ُ م ْ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكِيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ذ َ ل ِ ك ُ م ْ كِسْفٌ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون وخشون اليوم أثملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطرب في مخ م ص ة غير متجانس لئتم فإن الله غفور رحيم.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 ให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วและผู้ใดได้รับความคับขันโดยความหิหวโหยโดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทำบาปแล้วไซแน่นอนอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ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 وَطَعَامُ الَّذِينَ آ و ت ُ و ا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أ آ و ت ُ و ا الْكِتَابَ م ِ ن قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ آ و ت ُ و ا الْكِتَابَ م ِ ن قَبْلِكُمْ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ วันนี้สิ่งดีดีทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคําภีร์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جهاتكم وأيديكم إلى المرافق و َ ي د ي ك م إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا ت ط ه ر و ا ف إ ن كنتن ا ل ض ا و ع على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء ح د منكم من الغائط أو لمست م النساء فلم فلم تجدوا ما أن تتم صعيد ط ي ب ا فَتَيَنَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تَمْسَحُوا وَأَيْدِيكُمْ وأ مَا اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ حَرَجٍ وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ يُرِيدُ يُرِيدُ مِنْ مِنْ بِأُجُوهِكُمْ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ โอ้ผู้ศรัَธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้าต้องการจะปฏิบัติน้าอาชก็จงล้างใบหน้าของเจ้าและมือของพวกเจ้าถึงข้อสอบและจงเช็ดศีสาก ข, ของพวกเจ้าและล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุ่งทั้งสองและหากเจ้ามีจันอบะก็จงําระร่างกายให้สะอาดและหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกขหรือมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาและพวกเจ้าไม่พบน้ําก็จงมุ่งสู่ดินที่ดี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 และพวกเราเชื่อฟังแล้วแต่พึงยังเกรงอลอดเถิดถ้าจริงอลอนั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวง อ, อก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 แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอัลลอฮ์มมได้ทรงสัญญาแก่ บ, บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ผู้ลล บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกยาอยหล่าี่น่าอันอธิษฐานิอัลลอ ا ์ให้กับคุณอดห์ห์มมะโควมอันไอย์ด ه สุตูอลคไอบีอัลฮมตกฟไอบีอัลมอค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 ولقد أخذ الله م ي ث ا قبل إسرائيل بعثنا منهم ثني عشر َ ق ي ب ا وقال الله إني معكم، ل ِ ن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة و آ م ن ت م ب ر س ُ ل ي و ع ز ْ ت م ه م وأقربتم الله قربا حسنا. وأقرضتم الله قبرا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة تجري َ ن ة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سرا السبيل แต่แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราก็ได้แต่งตั้งว่าน่าจากพวกเขาขึ้นสิบคนแล้วเราได้ทรงกล่าวว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยถ้าหากพวกเจ้าปฏิบัติละหมาดและชำระจะการและศรัทธาต่อศาสนทูตของข้าและสนับสนุนพวกเขาและให้ Allah อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแน่นอน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 ย حرفون ا ل ك ل م َ عن مواضعه ونسوا حظا مما دفروا به ولا تزال تقلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم تعرف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين. ณนั้นจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขาเราจึงได้สาบแช่งพวกเขา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 َمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوحَ الظَّمْ مِمَّا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ذُكِّرُوا بِهِ و س จากบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราเป็นคริสต์นั้นเราได้เอาสัญญาจากพวกเขา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 โอ้ชาวคำภีทั้งหลายแท้จริงาศาสนทูตของเราได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วโดยที่เขาจะแกล้งแก่พวกเจ้าอย่างมากมายจากสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้จากคำพี และเขาจงงดเว้นไว้มากมายถ้าจริงแสงสว่างจากอัลลอฮและคำเพียอันชัดแจ้งนั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วด้วยคำเพียนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงแนะนำผู้ที่ปฏิบัติตามความถึงพอพระทัยของพระค สุบดาทางแห่งความปลอดภัยและจะส่งให้พวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างด้วยอนุมัติของพระองค์และจะส่งแนะนำพวกเขาสู่ทางอันเที่ยงตรงแลวก็จะใ้นที่พูดวอินนัลลอฮ์ฮุอัลม์มศฮฺบินมารย์มกล่าวว่าล้วม่มีเจาขุงจาอัลลอฮิ่งใดที่จะองกรใาเนเจอฮบนมารยมะ إن أراد أ ن يهلك المسيح ا بن مريم و أ م ه و م ن في الأرض جميعا و ل ل ه ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير. แมนอนได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบรรดาผู้ที่กล่าวว่าถ้าจริงอลลั่นคือ อัลมาสีบุตรของมารยัาชมงกล่าวเทิดมูมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจครอบครองสิ่งใดจากอัลลอฮ์ได้หากพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำลายอัลมาสิบุตรของมารยาและมารดาของเขาและผู้ที่อยู่ในทันดินทั้งหมดแหลมหนา้าแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นแ ล, ล้วลอ้นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง وقالت اليهود و ل ن ص ا ر ى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنت بشر ممن خلق يغفر م َ ن يشاء ويعذب مي يشاء ลลาาบรรดาชาวยิวและชาวฟิลิสได้กล่าวว่าพวกเราคือบุตรของอัลลอฮ์และเป็นที่รักใคร่ของพระองค์จงกล่าวเถิดมูมัดว่าแล้วฉไนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเจ้าหนึ่งด้วยความผิดของพวกเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นดอกพวกเจ้าเป็นสามัญชนในหมู่ผู้ที่พระองค์ทรงบังเกิดมาตา่างหาก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 สิ่งที่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้ใดในหมู่ประชาชนทั้งหลายโอ้กลุ่มชนของฉันจงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ได้สรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงอย่าหันหลังของพวกเจ้ากลับ เพราะจะทำให้พวกเจ้ากลับกลายเป็นผู้ขัดถูกพวกเขากล่าวว่าโอ้มูสาแท้จริงในแผ่นดินอันบริสุทธินั้นมีพวกที่โหดเหี่ยมแต่พวกเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นอันขา จนกว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นั่นแต่ถ้าพวกเขาออกไปจากที่น <ixa> ั่นแล้วพวกเราจึงจะเป็นผู้เข้าไปขาารัจลนมินัลีนวหนอันงาอัลลอฮอัลเลมัอัล์ลาบ فإذا دخلتموه فإنكم غاربون و ع ل ل ه ف ك ر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 ก, กล่าวว่าโอ้พระผู้พิบาลของฉันถ้าจริงฉันไม่มีอำนาจนอกจากตัวของฉันเองและพี่ชายของฉันเท่านั้นดังนั้นโกรธได้แยกระหว่างเรากับกลุ่มชนผู้ละเมิดด้วยเถิดแล้วก็อธิษอีนว่า เพราะตั้นพาะ้าจาิงทำใหดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40ปีซึ่งพวกเขาจะเหยาะแร่ร่อนไปในฝืนที่ดินดังนั้นก็ยอย่าเสียใจแก่กลุ่มชนผู้ละเมิดเหล่านั้นเลย َثْلُ عَلَيْهِنَّ بَأَدْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ قَرْرَبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ الْآخَرِ قَالَ لَعَقْتُلَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِذْ مِنْ مِنَ النَّكْ إِنَّ مَا قَالَ الْمُتَّقِينَ แต่เจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งเรื่องเกี่ยวกับบุตรชายสองคนของอาดัมตามความเป็นจริง ขณะที่ทั้งสองได้ทาการพรีซึ่งของพรีอยู่นั้นแล้วของพรีนั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองขวและมันไม่ได้ถูกรับจากอีกคนหนึ่งเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขากล่าวว่าแท้จริง Allah จะทรงรับจากผู้ยําเกรงเท่านั้น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 ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นค น, นหนึ่งในหมู่ผู้ขาดดุลแล้วรอก็ได้ส่งนกกาตัวหนึ่งมาคุยหาในดิน เพื่อติ่ให้เขาได้เห็นว่าเขาจะฝังศพน้องชายเขาอย่างไวเขากล่าวว่าโอ้ความพินาศของฉันฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นกาตัวนี้แล้วฝังศพน้องชายของฉันเชลนี่แล้วเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เสียชยีวิตมน้ําจินาลิกะขตบนทั้งนบ้นีอิสราเอลอี่เขน قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض ك أ ن م ا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات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 ه ه ถ้าเป็นการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่ อ, อรองและระดูนของพระองค์และพยายามวันทำลายในแผ่นดินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหาร หรือถ e. ูกตรึงบนไม้กางเขนหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตับสลับข้าหรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินนั่นก็คือพวกเขาจะได้รับความอับปยตในโลกนี้แต่จะรับการลงโทษอันใหญ่หลวงในปรโลกอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัลลอัลลัลลอฮอัลัลฮฺอัลอฺัลอัลลอฮฮ นอกจากบรรดาผู nope, ้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่พวกเจ้าจะสามารถลงโทษพวกเขาถพงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ โกผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยังเกรงอลอเถิดและจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์และจงต่อสู้ในทางของอลเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จออนนลลลีา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 ขโ ม, ม, ลลลลขมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสองคนทั้งนี้เพื่อตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองได้แสวงหาไว้เพื่อเป็นเยี่ยงย่ากการลงโทษจากอาลอและอแลอนั้นทรงเดชานุภาพ ส่งปริชาายแล้วกูได้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่เขาได้อ่านธรรมถ้าปรับปรุงแก้ไขแล้วถ้าจริงอัลลอนั้นจะส่งอภัยโทษให้แก่เขา แท้จิงอลนั้นเป็นผู้สรงอภัยโทษผู้สงเมตตาเสมอข้าไม่รู้ดอ้วยว่าแพ้จริง a l l a นั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่พระองค์จะทรงลงโทษผูดด้ใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงอภัยโทษให้แก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้วรนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งยาอิฮะร์รัสูลแลฮิุนฺัลลัลยูซาริอุนกิลกุฟรมินัลลัลลิกาลูมนัลลกาลูอาเมนาบิอัฟวาฮิมววลัมตุมินกุลูบุฮม ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم ي أ ت و ك ي ح ر ُ و ن الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه و إ ل ا م ت ؤ ت و ُ فاحذروا ومن يرد الله ت ْ ن ت ه فلا تملك له من الله شيئا อุลาอิคัลลัตนั้มยุริดิลล้าที่ทำใหหัวใจของกเาถูกทำลยาในโลนี้จะด้รับผลที่รายรงะในหน้ะดาบการลงโี่นนาขรูเอยจงอย่าให้เป็นที่เสียใจกับเจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันปฏิเสธศรัทธาจากพวกที่กล่าวด้่ปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้ว โดยที่หัวใจของพวกเขาไม่ได้ศรัทธาและจากพวกที่เป็นยิวด้วยโดยที่พวกเขาชอบฟังคำมุสาชอบฟังพวกอื่นที่ไม่ได้มุ่งมหาเจ้าพวกเขาบิดเบือนใถ้คําหลังจากที่มันถูกวางไว้ในที่ของมันพวกเขากล่าวว่าหากพวกเจ้าได้รับสิ่งนี้ก็จงเอามันไว้และถ้าหาพวกเจ้ามิได้รับมันก็จงระวัง และผู้ใดที่ยวลอ้อประสงค์ที่จะทดสอบเขาแล้วเจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่ยอย่างใดที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากล้อไปได้ทนเหลา่านี้แหละคือผู้ที่พปรง่งมิส่งประสงค์ที่จะให้หวัวใจของพวกเขาสะอาดโดยที่พวกเขาจะรับความอปัปยศในโลกนี้และจะรับ ก, การลงโทษอันมหันต์ในปรั่งโลกสมม ฟ إ ن ج َเอาก็จะพิจารณาพวกْขَ ه รือไม่หรือจะอภิ ع َ ر ยเกี่ยว إ ับพวกเขาหรืَจะอภิปรายเกี่ยวกับพวกเข ي ท่านจะไม่ได้รับผลอَไรเลยหากทْานตัดสินใจพิจารณาพวกเขาโดยการพิจารณาข้อเท็จจริงแน่นอนว่าพระเจ้าทจงตัดสินผูวที่พวกเ้า หรือไม่ก็จงหลีเกเลี่ยงพวกเขาเสียและถ้าหากเจ้าหลีเกเลี่ยงพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลยและหากเจ้าตาัดสินก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรม แค่จริงอ AH ัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรมอย่างไรเล่าที่พวกเขาใจเจ้าตัดสินทั้งๆที่พวกเขามีคำพีเตารอนอยู่ซึ่งในนั้นมีข้อตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮ์อยู่แล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ผลหลังให้ชนเหล่านี้แหละหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่อินะ الزالتورات فيها هدوء ونور يحكم بها النبؤون الذين أسموا للذين هادو وا. والضبيان والاحبار بمستحضرون وا كتاب الله ถ้าจริงเราได้ให้คำภี์ตาร้อนลงมาโดยในนั้นมีทางนำและแสงสว่าง ซึ่งบรรดานบีที่สวามิภักได้ใช้คัมภีรเตารอนตัดสินบรรดาผู้ที่เป็นอยู่และบรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์และนักปราดทั้งหลายก็ได้ใช้คำพีเตารอนตัดสินด้วยนื่องด้วยในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้นั่นคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์และพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวมนุษย์แต่จงกลัวข้าเถิด แต่จงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาองค์การของข่ากับประธานเล็กน้อยและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อรรรนได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธา والآف بالآف والأذن وال بالأذن والسنة بالسنة والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة ا له ل ومن لم يحسن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون <ت ص في ق> เราได้บัญจัดแก่พวกเขาไว้ในคัมภีร์นั้นว่าชีวิตด้วยชีวิต ตาด้วยตาจมูกด้วยจมูกหู ด, ด้วยหูฟันด้วยฟันและบรรดาบาทแผลกม็มีการชดเฉยเช่นเดียวกันและผู้ใดให้การชดเฉยนั้นเป็นฐานมันก็เป็นสิ่งที่ลบล้างบาปของเขาและผู้ใดไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้อาจทำ ب ع ي س َ ى ب ِ ن ِ م َ ي َ م ُ ص َ د ّ ق َ ل م َ ا ب َ ي ْ ن ي َ د َ ي ْ ه م ِ ن ا ل ت و ر ا ة و َ ن ت ي َ ن ا ه ُ ا ل إ ن ج ي ل ف ِ ي ه م د َ و َ ن ُ و ر وَمُصَدِّقَ ل م َ ا ب َ ي ن ي د ي ْ ه ِ م ِ ن ا ل ت و ر ا ت ِ وَهُدَى و َ م و َ ع ظ َ ة ل ل م ُ ت َّ ق ي ن และเราได้อีซาบุตรของมารายามตามหลังพวกเข้ามาในฐานะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือคำพิตะรอดและเราให้คำพินอินยิลแก่เขาซึ่งในนั้นมีทางนำและแสงสวา่างและเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือคำพิเตารอดและโดยเป็นทางนำและคําตักเตือนแก่ผู้ยำเกงทั้งหลาย และชาวคำพีอินยีนก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาในนั้นและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วช่วนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ทำชัว่ว إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي ن من الكتاب ومهيمن ا عليه ف ا ح ك م بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شجعته ومنهاجا ولو شاء الله ل ج ع ل ك م أ م ت واحدة ولكن و ل كل يبروكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ถ้า um um um เราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้กับเจ้าด้วยความจริงในฐานะเป็นที่ยืนยันสัมพีที่อยู่เบื้องหน้านั้นแต่เป็นที่ควบคุมคัมภีรเบื้องหน้านั้นดังนั้นเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาเถอะและจงอย่าปฏิบัติตามความไพร่ไฟต่างของพวกเขา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 แล้วเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮประทานลงมาเถิดแต่จงยาปฏิบัติตามความใครใ่ฝ่ายต่ำของพวกเขาและจงระวังพวกเขาในกาะที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เฉยออกจากบางสิ่ง ที่เราได้ทรงประทานลงมาให้แก่เจ้าแล้วถ้าหาพวกเจ้าผลหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอลนั้นเพียงประสงค์ที่จะให้ประสบแก่เขาซึ่งบางส่วนแห่งความผิดของพวกเขาเท่านั้นแต่แท้จริงมีจำนวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ทำชั่วอาาฮุฮมลจิยยนว ข้อตัดสินสมัยยาฮิลิยากระนั้นรื้อที่พวกเขาปรารถนาและใครเลา่าที่จะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าล่ะสำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่อล่ะยาอยิวะลลีนอามรูลาตัตทักดุลยาฮูดและนนาซาระอัลิยาบางโธมอัลิยาอับั้ง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 แท้จริงแล้วนั้นจะไม่สรงให้ท่านนำแก่กลุ่มชนที่อาถรร ح ์。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 แท้จริงพวกเขานั us, yeah, uh you, ้นอยู่ร่วมกับพวกเจ้าการงานของพวกเขานั้นไร้ผลเสียแล้วดังนั้นพวกเขาต็กลายเป็นผู้ขัดขืนยา أيها الذين آمنوا مِنْ يُتَّبَعْنِكُمْ دِينِهِ ف َ س ُ و َ ف َ ي ิ أ ِْู اللَّهَ ب ِ ق َ و أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم ت ل ا ئ م ذلك صلّ الله ع ي ُ ؤ ت ي ه م َ ن يشاء والله واسع عليم. ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของเขาไปอลลาอฮ์ก็จะส่งนําพวกหนึ่งมาซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์เป็นผู้นอกน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาเชื่อมแข็งต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะต่อสู้ในล้นทางของอลละฮ์และไม่กลัวการตำหนิของผู้ใดนั่นคือความโปรดปรานของอัลลาอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วลอนั้นเป็นผู้สรงกว้างขวางผู้สงรอบรู้อินนมวาลิล um uh ิคุม الله و ر س و ل ล و ا ถ้าจริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์และรอสูลของพร่มและบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติละหมาด และชำระจักราณาเดียวกันก็เป็นผู้นอกน้อง